การแผ่เมตตามีประโยชน์มากปอญญาโยมาจเจริญกรรมาฐานทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เรามีเมตตาในใจทำจิตใจดีจิตใจเป็นกุศลแล้วเราก็แผ่เนี่ยจากความดีของเราเนี่ยไปให้สรปประสัตว์ทั้งหลายไม่กลายตัวเรานั่นแก่ได้แก่บิาดามดาปู่กระยาตากระยายต้องได้รับ จากนั้นแล้วพี่กับน้องญาติวงปงษาทุกประการต้องได้รับถ้ารรทำไปต่อกันไปเรื่อยๆต่การเจริญกรรมฐ า, านที่ท่านทั้งหลายมานไม่ใช่บวชคือพรามนะบวชในพระศาสนาบวชแทนคุณบิดามดาบวชเพื่อเป็นิชัยปัจจัยบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ให้รู้คุณค่าของการกระตันรู้ตัวเวทีตาธรรเขาเรียกว่านี่คัมมาปฏิบททัติธรรมอันนี้มีความหมายอย่างนั้น <c oughs> บางคนอยากเข้าใจผิดคิดว่ามีเวลาน้อยหรือมากก็ตามขอให้ตั้งใจทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพเคารพตัวเองตั้งใจมาเนี่ยพูดแล้วต้องทำ ตั้งทัศน์อารมณ์ไม่ดีเครบะถานที่เคารบกติกานัดหมายเคารบกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ทําอะไรทำด้วยใจสงบอย่าวุ่นวายอย่าพุ่งชา่านทําอะไรทำด้วยความถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าทําไม่ได้ผลได้อันนี้สงแต่ประการใดอาตมาเนี่ยอายุมากแล้วต้องทํางานทั้วันอย่างคืนต้องรับผิดชอบ มาถึงให้แขกรอต้องทํางานก่อนนังสือหนืงสือหาต้องจัดเรียบร้อยสร้างมาล้อเบิกตางสร้างโรงเรียนอนุบาลให้เด็กท้องหลังที่หน้าวัดนู้สร้างโรงเรียนอนุบาลเด็กเดือนนี้มีร้อยกว่าเนี่ยสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือโดยแล้วไม่จะบอกบุญเรื่องอะไใคร วิหารขาวไม่น้ำน้อยมันมีสลาบะเพงกุศลศพเอาละเราสร้างให้วันนี้สวมพานมาเบิกปัจัยเอาไปได้มาให้หมดไปถ้าใครถวายตา ม, มาเป็นส่วนตัวจะทำบุญให้หมดโยมก็ได้บุญด้วยปร <c oughs> ะจาไปทิ้งไปควางเดี๋ยวขอนแกนสร้างสลาราคารวมลอยล้านเดือนเมษาเริ่มลง ก็ปฏิบัติธรรมกันเนี่คนแน่นตำรวจอบรมไปแล้วสองสามพันคนรุ่นละสองร้อยสองร้อยโรงเรียนตำรวจภูทรภาคสิที่ทางกว้างขวางมากถ้ายมไปก็ผ่านก็ไปแวะดูจอดรถเด็ดพันคันที่ร้อยก็ไล่รวมจะถึงร้อยหสิบไล่ ต้นไม้หมื่นสองพันต้นโตมาแล้ว้ง่างามร่มเงาดีสราสีหลัง <c oughs> หลังที่ห้าก็จะตุกคนสองพันคนต้องเสกทายสองปีครึ่งหรือสามปีก็ใหญ่มากขอจเจริญพรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการบวชนะขออย่าโยมชาบา โยมผู้หญิงส่วนมากไม่เข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นมีผู้ชายถึงจะบวชอย่างบวชได้แต่เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้อย่าเข้าใจผิดพุท ธ, ธะพุโทโธไม่ใช่หญิงชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพระรหันต์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายโยมผู้หญิงจะเป็นสาวหรือจะเป็นแก่อายุ เท่าไรไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานถือว่าบวชกายบวชจิตบวชสติปัญญาพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วจะได้บุญกุศลยกตัวอย่างอสุงเนมาหลายปีผ่านมันี่าม่าตายไปสิบกปีไหมสิบสามปีได้อาม่มาตายไปตกทุกข์ได้ยาก มาเข้าฝันอาุงอตอนนั้นอาซุงอทำงานธนาคารสิงคโปร์ผู้ไทยไม่ได้อาม่าก็บอกว่าให้บวชทีให้หน่อยโอนหัวด้วยอาม่าตกทุกข์ได้ยากตอนนั้นบวชตายไปได้สิบสามปียัยไหมเก้าปีกว่าแล้วให้บวชที่ไหนบวชประเทศไทยบวชที่นี่ด้วย อาชุงอ้อก็มาพูดไทยไม่ได้เลยบวชให้อามะอย่างพวกยอมมานั่งปฏิบัติอาชุนอ้สามปีพูดไทยได้หมดเขียนสื่อไทยได้อ่านสือไทยออกโดยไม่ต้องไปเรียนก็ใครเลยนะนี่แลละอำนาจบุญกุศลโดนบันดาลได้ชัดเจนอย่างหนุมไม้ใช่ไหม เป็นใกล้ได้เลยพูดก็เป็นแปลได้เลยพูดก็ฝรั่งเนีย่ยมาตั้งที่เขาแ็่หา้าหกขว บ, บ, บสามารถพูดภาษาติได้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อพ่อแม่เขาบอกว่าเน่ยเรียนแค่นี้รัตถถมทำไมเป็นล่ามได้ทุกอย่างก็พี่สาวก็น้องสาวห่าง ก, กันที่ห้า ป, ปีหนูมาย ตอนที่ปี่สาวคนโตเกิดมาเนี่ยอักษรสีหนูมา ย, ยังเป็นนกเตร์อยู่ลาดบัวหิงตัน่กว่จะตายจะที่มันมาเกิดมันก็ต้องห่างกัสิบห้าปีเป็นนกเตร์แล้วเกิดแล้วภาษาอังกฤษมันก็ออกมาเพียงจะดูคนเดียวจำได้เพลงร้องได้เมื่อกี้บอกสอง้เพลงเนี่200ยสอง้เพลงพิษสองสามภาษา แลวดวนตรีไทยทีแล้วน้าได้แล้วบอกหลานุงปูต้องไปเป็นดนตีไทยลูกสาวปีนดาแม่ปมมฐมสี่แท้ๆนี่ขายผ้าเผาระขายดิบประดิลูกสาวคนโติปญาโน ท, ทำงานลวงปลูลูกชายต่อด็อกเตอร์สหรัฐอเมริกาจะจบแล้วลูกสาวคนที่สามกำลังต่อเมียโทรและทำงานแบงค์ชาติลูกสาวคนที่สี่จบธรรมศาสตร์ ลูกชายคนที่ห้าทำงาะเ็นทาสอ่ะเล้คนเดียวแม่ปฐมสี่แท้ๆต้องเหตุด้จฉนฉลาดแม่นางกรรมฐ า, านทุกคืนไม่เคยขาดขายผ้าพี่พาหุรัไม่ลูกค้าต่างประเทศมาซื้อมากมายสวดพาหุมากาแล้วก็ น, นางกรรมฐ า, านกลับไปบ้าน ทานข้าวอาบน้ำเสร็จเข้าห้องพระไปดิฉัเบ็ดโทรมาสอบอารมณ์เราอนุญาตไปดิฉัเบ็ดนาฬิกากลางคืนบีบสามนาฬิกาโทรสอบอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรไม่ต้องสอบเช้าทานอาหารสวดมนต์ภาวนาไปขายของขายดีขายดี พอถ้มสี่แทะลูกเก่งหมดนี่ขอฝากเขาด้วยลูกเก่งหมด <c oughs> คนที่สามจบธรรมศาสตร์ไปฝึกแบ้งชาติการบัญชีอะไรไปฝึกฝึกเฉยสวดภาหุมากาบอกหนูตัวพรงมกาให้ได้นะแม่ก็นางกรรมฐานไม่น่าเชื่อ ไปฝึกซีแบงชาติผู้อํานวยการกองไปผู้หญิงเกิดทอใจและชอบพาไปหาผู้บุกการแบงฌาดผู้บุกการกระซิบถามผู้หหน้ากองมีตาแหน่งว่างไหมไมีตาแหน่งว่างอยู่ตําแหน่งเงียบเงียบไม่ต้องสมัครญาติเข้าไปเลยใอย่อํานาจบุญกุศลจําำหน้ากองก็ไม่ได้เป็นญาติกันไม่มีเส้นกระสาบนบรรจุแบงฌาดไปเลย อาตมาบอกอะละหนูทางานมานานแล้วย้ายย้ายที่อยู่ใหม่แล้วหนูตอบยาโทรสอบได้เนี่กกำลังเรียนเดี๋ยวปีหน้าจบเป็นยาโทรธรรมศาสตร์แล้วก็สวดภาหงษกาหน้ากรรมฐ า, านไปได้ไวมากแล้วหัดดนตรีท้ายด้วยในคนเล็กจบธรรมศาสตร์บอกไปซื้อถิมมาได้ยี่สิบเพลงแน้่ ยี่สิเพลงหลาลุงปูลุงตาวันนี้ต้องเป็นดนตรีไทยเราชอบดนตรีไทยคนเป็นดนตรีไทยเนี่ยสมองดีสมเด็จตระเทพรัตนราชาูรดายสยามรุ่งเร้อเพลงไปเลยร้อยเพลงเพลงไทยไปทรงอนาที่ยุโรปวลัลงชอบใหมากก็ขอฝากไว้เพือท่านทั้งหลายมีบุญทีดาสวดมนต์ภาวนาลูกดีหมดทุกคนสามีเคยเจ้าชู้ เรื่อการพา น, านันจะ ก, กลับลา้าไกลดีทันทีถ้าเชื่อตะมานะนี่เรื่องจริงจะมาโกหกท่านทำไมการบวชในพรศาสนาไม่ใช่บวชชีพรางบวชชีพรางก็ต้องไปวัดอื่นน้อนก็เต็มสลาหมดแล้วพระเทศติด ก, กันเทศไม่พักถอกระถิบมาปาแจ้ซ้องไม่พักวัดนี้ไม่เอากิงน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อยทําความเพียรให้มากใจปฏิบัติให้เต็มที่จะได้บุญติดตัวไป บุนคือความสุขความเจริญชีวิตในเรียกว่าบวชเนครรมะบวชให้แกบิดามารดาบางทีพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วยังไม่ได้รับส่วนบุญบุศลยกตัวอย่างอาสุ ง, งออามา่าเข้าฝันให้มาบวชจะบวชที่นี่จะมาตอนหลังมาเข้าฝันอีกใช่ไหมบอกได้ได้รับแล้วอสุงอ่ก็กลับไปอยู่สิงคโปร์ หลงพ่อก็บอกสุง้อมาช่วยหลงพ่อหน่อยปรับทํางานธนาคารอาตมาก็ไปสิงคโปร์ยังจรู้จักกับกงศุลังกากรสิงคโปร์เดี๋ยวนี้แปลที่บดีเลยใช่ไหมที่บดีกงศุลังกากรคนจีนคขนับถือครั้งสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพมีพลเมืองก็สีห้าล้านใช่ไหมกรุงเทพมีพลเมืองถึงห้าหกล้าน แต่รวยมหาศาลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสู้สิงคโปร์ไม่ได้ประธานาธิบดีสิงคโปร์เงินเดือนสูงกว่าอเมริกาใช่ไหมเน่ยเงินเขาให้เป็นปีเลยเขาไม่มีคอลัปชันอย่างบยาบ้าประเทศไทยเนี่ยจับได้ประหารเลยนะประหารชีวิตแ ล, นะล้วมีใครเล่ า, าังขายยาบ้าแต่มาว่าไม่ไม่หมด การเมืองก็ขายยาบ้าจะหมดเรยครูก็ขายยาบ้าตำรวจก็ขายยาบ้าจะหมดได้ยังไงวิธีแก้ยมเป็นพ่อเป็นแม่สวดมนต์ภาวนานดูลูกเขาไว้พาหุมกาเรื่องเจริญกรรมฐานลูกกลับร้ายกลายดีหมดลูกติดยาบ้าไปสามคนจะไปโลกเด็กอีกคนพ่อแม่ก็สวดมนต์ภาวนานจเจริญกรรมฐาน ลูกเลิกติดยาเสพติดหัวเลิกเจ้าทุขหัวเลิกดื่มุรายาเมาเป็นตัวอย่างเยอะแต่ปัญหามืออ่านว่าโยมทําได้ไหมยยืนหนอห้าครั้งให้ได้ยืนหนอลงไปปลายเท้าจากปลายเท้ายืนขึ้นมาถึงที่สัตถึงห้าครั้งทบทวนชีวิตเราต้องการจะดูชีวิตของเราว่าละอ่านตัวออกบอกได้ใช้เป็นไหม ก็ได้เห็นตัวตายไหมคลาที่ถี่ไหมดั่มนิบชอบไหมก็จะประกอบภูษณ์ได้ผลงานเป็นหลักฐานสาคัญได้เราจะรู้กนเหตุกรรมได้เห็นคนอื่นเดินมาเนี่ยศีรษะลงไปลายเท่าปท้าศีรษะพราะภิมันจะบอกคนเนี้ยนิสัยดีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้คบไม่ได้คนนี้กําลังมีชู้ไม่เคยพลาดดูด้วยปัญญาคนหัวไม่มีต้องตายคืนนี้นี่อ่มีประโยชน์ในธุรกิจ แตยอมทำให้จริงๆไม่ใช่ทำวันทงวันนะเขาได้เลยมันอ่ะกลับไปบ้านเลิกเลยไม่เดินจงกรมเลยเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินก่อนยืนเดินนั่งนอนเลียวซ้ายเลี้วขวาคู่เหยียดเหียดขาตั้งสติไว้ทุกประการอย่าเสียสติตั้งสติไว้ตลอดเลยการขอให้ทำจริงๆลูกเตาดีหมดเลย บางคนเนี่ยเือนนี้สารเยาวชนที่ราชบุรีเดี้พันห้าร้อคนคิดสองขวบถึงที่แปดขวบเป็นยาบ้าต้องไปอยู่สารเยาวชนแก้ไม่หายแล้วก็วขอเจริญพรเราเป็นพ่อเป็นแม่พยายามเจริญกรรมฐ า, านสวดพาหุงมหากาศสวดให้ด่าสวให้ด่านี่นมาคาพมาเลยเคยรู้ไหมรุ่นมาคาพหนสือส่วนหมนรู้ไหมของหนาสาวประกาศดาป ร, ประกาดา นานแล้วเขาจะทําำชายิทให้เตี่ยที่เชียงใหม่ <c oughs> วันนี้พิมมาให้เมื่อวันก็นเล่มเขานั่งอยู่ในบ้านอยากจะพิมพหนังสือให้เตี่ยวันชายิทกับพิมพ์หนังสืออะไรดีมันก็แปลกโดนบรนดาลสุ น, นัาขคาบหนังสือส่วมดมนตีกิราเหน่นานเนี้ยคาบเดินวิ่งข้ามถนนตลาดมา วิ่งเข้ามาบ้านนางสาวประดาวดาพระตายาววียงให้แล้วก็ไปเลยเขาหมวยจับหนังสือดูเอาไม่รู้สุนัขไปแล้วในรุ่นมาข้าแล้วก็พิมพ์มาให้ถือวัดหมดนานเนี่ยหลายรุ่นเต็มทีเนี่ยแล้วลเขาก็แจกไปในงานแซยิปทําบุญให้เตี่ยในเตี่ยก็ตายไปนานแล้วเดี๋ยวหนังสือนี่ก็มีชื่อเสียงมาพิมพ์ที่คขอนแก่นก็ไม่เหลือ ตอนที่รูปเราถ่ายเมื่อ2516 25 1 6นานแล้วเนี่ยมาให้อีกหมื่นนี้บอกว่าพิมพ์ไม้ชีมันหมดแล้วเนี่ยรุนมาคาบไอ้ชูนักเนี่ยมันไม่ใช่มองเขาเขาอยู่เชียงใหม่ขายหลอดไฟฟ้าขายเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดขายหยิบขาย ด, ายดีแล้วก็ดิดาเขาเสียชีวิตไปแล้ว ต่ญญางใจจะพีนังสือก็คิดไม่ออกไม่รู้จั่งหรืออะไรชุนักคาบมาเลยไม่รู้คาบมาจากไหนมาถึงอุงเวียงให้แล้วก็ไปเลยมันเป็นของอาจารย์อาตมาคิดเอาเองนะว่าชุนักคงไม่ใช่แต่ชุนักคงจะเป็นเทวดาหรืออะไรชักนําหนังสือมาโยนให้แล้วก็ไปเลยไม่ใช่ชุนักในบ้านเขาแล้วก็ออกถนนแล้วก็หายไปเลยมองไม่เห็น แล้วอนังสือนี่มาพิมพ์ญาติพี่น้องสวดกันใหญ่แ้วก็ค้าขายก็เด็ดดีลูกหลานก็เรียนเื้อเก่งเนี่ยคือพุทธคุณธรรมคุณภาหุมกาเรื่องพนี้ขอเจริญพรแล้วแต่ศรัทธานะบางคนไม่มีศรัทธามานั่งกรรมฐ า, านไม่ได้เลยเหรือมาแก้บนถ้าหากว่าโยามมีศรัทธาเชื่อมาในคุณพระเสด็จคุณนาคายด์ยเหนียวชะแลน่าทีพึ่งมาไว้ในใจมีความสุขตลอดไป ไม่มีความทุกข์เลยสามีภรรยาไม่ต้องกลัวเราได้ครอบครัวสามีเจ้าชู้เลยเล่นการพนันเดิมโชลายามเมาเลิกทันทีโดยไม่ต้องหวาดภรรยาสวดมนต์ไหว้พระดูบุตรีดาของต้นไว้อย่าทิ้งลูกต้องรักลูกถือดูดูฝังให้ลูกตั้งต้นฝึกลับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งต้นให้ลูกเป็นคนดีที่ดุดทอ น, นี้พอเลยลูกไป็นนกเป็สักคนนะ ลูกเป็นแพทย์สักคนเป็นหมอสุกคนเป็นศาสตาจารย์สักคนเห็นไหมมาหมดวันศุนสามีก็มาเดี๋สนใจกับลูกเขาไม่สนใจเรืองวัดแต่ภรรยาสวดมนต์ภาวนาและนั่งกรรมาฐานทุกวันลูกดีหมดเลยเป็นด็อกเตอร์สามคนแหละตั้งใจเรียนตลอดเลยแล้วก็ลูกก็สวดมนต์ด้วยข อ, ขอเจริญพรคนมีบุญวาสนา เกิดเองโดยอัตโนมัติลูกก็ดีมีปัญญาหนามแหลมไครเสี้งมานาวกลมเปรี้ยงไครไบิกกลึงออกมาแหลมมาจากทองแม่ว่านอนสอนกงง่านก็เห็ุได้หรือเราเป็นสา ม, มีภรรยากันนะสวดมนต์ไหว้พร ะ, จะเจริญกรรมฐ า, านใจสะอาดใจดีใจมีเมตตาอารีเอือ้อเฟื้อสา ม, มีภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กันเลยสะอาดนะ่าปราดมาเกิด บ้านไหนทะเลาะ ก, กันคิ่มเหล้าเมายาใจสกรปกสรกสารพัดโลกมาเกิดเที่ยงพอ่อเสียงแม่ทำไมา่ตกปาว่านอนสอนยากตลอดเลยกาถ้าโยมปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวบุตรธหดาและลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายพูดก็ต้องเชื่อฟังแน่นอนไปไหนก็ไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปง่งอนหน่อบน้อประตันดูเชิดชูระเบียบเรียบเดยวกี่นายคุณหนูจงตั้งใจศึกษา นำมาพนทุกแบ็งสุกอ น, นันเป็นหลักสาคัญหนูจำใส่ใ จ, ใจนี่ปีนี้เขาจะมาเป็นดอกเตอร์้อยสิบกคนผู้หญิงมากกับผู้ชายทั้งอิสลามและคริสต์ด้วยแล้วก็ไปยิอาโทรผู้หญิงไดเรีย น, นเน อ, เอสอบเข้าพูดภาษาได้สิบเ็คนตอนนี้ทำหน้าที่พูดภกษาหญิงนำมานี่เป็นประจำบอลงพ่อ หนูไม่ได้หลวงพ่อหนูคงสอบผู้ปรึกษาไม่ได้หนูอยากเป็นผู้ปรึกษาเหลือเกินทําไมหนูอยากเป็นผู้ปรึกษาเพราะอะไรหนูเป็นผู้หญิงแท้ๆหลวงพ่อคะมาครั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นความกันแพ้เขาตลอดแล้วก็เสียงเงินเสียทองให้ทนายความหนูก็ยังเล็กยังเด็กอยู่ปอสี่ปอห้าจึงอธิษฐานจิตขอให้เจอพระ นั่งกรรมาฐานและตั้งใจขอให้เป็นผู้ภาษาให้ได้ด้วยคําอธิษฐานของเขาบอหลวงพ่อคะหนูได้เป็นผู้ภาษาแล้วแต่งเครื่องแบบมาอวดแล้วสมใจนึกที่อธิษฐานไว้สวดมนต์เป็นที่อธิษฐานจิตเป็นประจาเอาพฤติกรรมของก็แผ่เมตตาอย่าภูกใจเจ็บใครไว้ในใจให้มันโง่โกรดไว้ในใจให้ให้ใหใจิตใจเลวร้าย อย่าให้อารมณ์ค้าอารมณ์ดีตลอดเลยการยอมจะทำอะไรมั่ ง, ม, ง, ม, งมีที่สุดถ้าขายก็รวยขายที่ดินก็ได้ไม่แปลผันเปลี่ยนแปลงจะเป็นการใดขอให้ทำตามนี้นหนูสนะอบพูดภาษาได้ที่เบคนมาซืเรือนก่อนนี้ที่พามะเมื่อปีที่แล้วซึ่นปีสอบได้บัดนี้บรรจุหมดแล้วฝึกซ้อมหมดเรียบร้อย เป็นผู้นักษาได้คนหนึ่งเขาก็มาฝ่าตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาเป็นลูกสาวชื่อแม่เพลิจิตเป็นตระกูลบัตรนี้เป็นรองอธิบดีศารประจำอยู่ที่ชนบุรีบ้า น, นอายู่หนองคายเป็นผู้หญิงยังไม่มีครอบครัวสายจะพาได้สี่เส้นนลยได้สี่เส้นเลยบอกหลวงพ่อหนูเชื่อหลวงพ่อหนูสวดมนต์ภาวนา เขาเคยเป็นหัวหน้าศาลที่เชียงใหม่จะมาเป็นหัวหน้าศาลสิียงบรุรีและย้ายเข้ากระทรวงไปย้ายไปย้ายมาออกไปเป็นรองอธิบดีสามภาคใต้แล้วย้ายจากภาคใต้มาอยู่ที่ชนบรุรีบอกสายสะพายหมดแล้วนะหนูได้สี่เส้นแล้วมาถ่ายรูปพระธรรมาบอกหลวงพ่อหนูเป็นลูกสาวหลวงพ่อต้องด้าสายสะพายหมดได้สี่เส้นเลยเงินเดือนเต็มขั้นไม่ขึ้นอีกแล้ว เดือนหลายหลายมื่หลายแสนเราผูา้ภาษานี่เดือนแพงนี่แหละนั่งกรรมฐานสวัสดีาหุ ม, มาตาไม่ไม่หยุดและกิจการเ้า ก, ก็ดีตลอดคุณพ่อคุณแม่เหลือแต่คุณแม่แมโน น, น้องขายกิจการการค้าที่ดินเขาเป็นเชื้อคนจีนขายหยิบขายดีมากมายอันเนี้ยลูกตาดีหมดการปฏิบัติกรรมฐ า, านนี่ไม่ใช่ว่ามาแก้กรรม มาใช่มีกรรมนะอาตมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคอหักแขนหักขาหากักตกเขวที่แม่สอดฟาดผ่าหรือ ท, ทาเวรทํากรรมไว้ไม่ใช่ว่าตัดกรรมได้นะไม่มีตัดได้หรอกสร้างความดีใช่นี่กรรมเก่าโอนาวัฒนานิจา่าเอ๋ยเกิดมามีกรรมเกิดมาทําอะไรโอนาวัฒนานิจ่าเอ๋ยเกิดมาสร้างความดีใช่นี่กรรมเก่าให้มันหมดไปซะชาติหน้าอย่ามาเกิดอีกเยอะ โลกมนุษย์เ อ, อ๋ยม่ได้แต่โลกที่เกลียดขี้โกงพี่น้อง ก, ก็อิจฉาที่สยากันไม่น่าอยู่ในโลกมนุษย์นยเนี่ยตัมานี่คิดแล้วคิดอัตมาไม่ได้มาเป็นพระเป็นนากรรมาฐานก็ต้องตายไปนานเนี่ยอัตมาหมดอายุไปนานเนี่ยแต่แต่วันที 2, ่สี่ตุลาสองพันร้อยสิบสองพันห้าร้อยี่สบ็ดรู้ล่วงหน้าหกเดือนว่าเราจะต้องถูกรถชนตายสิบสี่ตุลาที่สิบห้า ไอ้สติที่นั่งกรรมฐ า, านเนี่ยมันเกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญานะไม่ใช่มันนั่งจะไปสวรรค์นิพพานนิยามที่โผขึ้นอย่างที่โยงเข้าใจไปตามบ้านตามวัดบางทีไปทําตามบ้านตามวัดก็ไปกันทั่วไปอนะแต่จเจริญกรรมฐ า, านได้จะได เ, เกิดอะไรขึ้นหนึ่งะระลึกเหตุการณ์ชวิตได้สองรู้กฎแห่งกรรม ท, ทันทีสามแก้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุ บ, บันแก้ได้ ไี่อยู่แล้วสร้างความดีนะ่ะยากโยมหรือยลาบากมากไม่จะมานั่งทำมาตรฐานสบายนะมาสร้างความดีเป็นศัตรูชีวิตจะมาพูดมานานเนะี่ยไม่มีใครสร้างง่ายมาไยได้ความดนะีสองสร้างความดีเป็นอุปสรรคขัดข้องสามสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากมากมายไม่ลาบากไม่ได้ดีแล้ว ตีสร้างความดีชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายกําลังชั่วโดวยมีรู้ตัวชอบกินสบายนอนสบายไม่เอางานออกการกําลังชั่วโดวยมีรู้ตัวนี่ชัดเจนสรุปเลตสองความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสรพิษถ้ามาแช่ของเราอย่าเอามาเนี่ยตเอามาแล้วฆ่ากันแลแลกแตกล้านเดี๋ยวนี้คนใจดําเยอะขอประทานโทษ เรานั่งเสริญกรรมฐ า, านแผ่เมตตามีเมตตาไว้ญญาใจให้มากที่สุดแล้วก็แผ่ไปให้สรสรพสัตว์ทั้งหลายยังเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายดิกันทั้งหลายจริงจิตไม่มีโอกาสจะมีความสุขเลยเรามาสร้างความสุขได้แล้วแผ่ความสุขให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าไปเอาทุกไปให้เขาแล้วเอาความสุขเข้ามานะไม่ใช่อย่างนั้นเลยตัมมากล่าวตะกี้ว่าโอ้อนาพัสนานิจา่าเ อ, อ๋ย เกิดมามีกรรมเกิดมาทําอะไรอ๋อโ อ, โอนะนาวัฒนาจาเถอะเกิดมาสร้างความดีใช่นิกรรมเก่าเนี่ยตมาที่ใช่นิกรรมเก่าสติบอกเลยที่เราทําไว้เจสี่ตุลาเจ็ดี่พหัชท่านตองมรณะภาพมรยุตอนนีตามาอายุห้าสิบนี่มันจะดสิบสามเนี่ยจะดสิบสามเนี่ยบอกท่านตองมรณาภาพด้วยรถชนขอหกักตายบอกชัดเจนเนี่ยสติยังบอกเรา ไม่เช็มม้อดูบอกไม่ต่อไปหามอดูให้โง่ไมาต่อไปหาผีข้าวจาวทรงจะประการใดรัตนาตายทีิยึดเหนียวทางใจเราแล้วเพราเรามีทีิยึดเหนียวแล้วตอนไปที่พึ่งของตนแล้วยอมจะไปพึ่งใครอีกแล้วพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปหมายใจพึ่งคนอื่นเขาพึ่งไม่ได้ร้องยอมเรารักเขามากเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาจะรักเราน้อย เราหาโอกาสช่วยใครไม่ได้เขาไม่รักเราหรอกคนเดียวนี้เป็นอย่างนั้นขยันเท่าไหรแม้มีปริญญาสามารถอยู่ขาดผู้ว่าถามก็ตำถานเราต้องอ่อนน้อมทำตนทนทํางานผู้ใหญ่ท่านพอใจฉังจะให้เราโตเพราะฝากเขาเด็กไปบ้านท่านอย่าดูดายป้ายงัวป้ายควายทํางานให้เขาชอบใจเราได้เราก็กลับจะไปบ้านเพื่อนหรือบ้านใครก็ตาม เขาทําอะไรอย่าอยู่นิ่งดูได้ทํางานเนี่ยเขาถูกใจแล้วเราก็กลับไปโดยสวัสดีมีชายเขาจะไมคิดถึงเราบางคนไม่เอาเสียแรงเปล่าไม่เอางานโอกาสก็มาเสียแรงไปเลยเราไปบ้านเพื่อนพ่อแม่เขาทำอะไรช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาหุงข้าวแล้วก็หุงข้าวกับเขาเขาถูเรือนแล้วก็ถูเรือนกับเขาเขาตัดน้ําแล้วก็ตักน้ํำกับเขาเนี่ยทํามา น, นิสัยเราไปเป็นเด็ก ไปไหนไม่คีคนเกลียดช่วยตลอดยอมจําไว้อย่างคนที่มีเมตตายิ่งห้ายิ่งด้ายิ่งหวงอดหมดไปมาแล้วไม่หวงก็ไม่อดหมดมาเรื่อยคนที่ปราศจากเมตตาไม่จด้ตาคติจกจใจดําอาไม่เห็นเที่ยมโหดทารุณดูร้าฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จํากายไม่มีเมตตาเลยเดี๋ยวนี้ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เลยขอฝากวาพี่น้องยังไว้ใจกันไม่ได้ สรุปใจความทำไมผัวฆ่าเมียทำไมเมียฆ่าผัวก็เคยฆ่ากันมารัากกันแสนรักก็ต้องฆ่ากันเพราะมาชาก่อนเคยฆ่ากันมาก็ต้องฆ่ากันอย่างเนี้ยโอ้อ น, นาภรณศาสนาอิจาเอ๋ยกุศลาธรรมากุศลาธรรมากดแห่งตามอย่าลืมโยไมไปต้องไปหาเหลี่ยกลายไทยดำมีฟ้าเนื้อฝ้าเลยเนื้อกดแห่งตามอาตมาทำไมต้องคอหกักนี่ทำไมคอรถชนคอพับไปถึงหน้าอกเลย เราถ้าไม่ฝึกไว้าตายให้ใจยังสะเดือได้เพราะว่าที่ตะมูกนี่มีแต่เลือดและเสลยเต็มคอหอยเลือดศึสระไหลไม่หยุดเลยไหลไม่หยุดเลยนะแต่มีสติที่ลิ้นปีเนี่ยโยมาไปใช้เลยนะแต่เวลาโกรธใครหรือเปลียดใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ลิ้นปีเนี่ยให้ใจยาวๆอยู่มันโตเขียนหนังสืออยู่ไหนก็ตามโกรธใครขึ้นมาอย่าฝากความโกรธค้างคืนแต่เสียใจต่อภายหลัง ถ้าใจยาวๆแก้ความโกรธตร้อโกรธหนอโกรธหนอโกรธเนอไอ้ชาติปัญญาอย่าบอกเลยไปโกรธทําไมโกรธสามีว่าไปเจ้าชู้ไปรักนา่คู่นั้นรักคนนี้ไอ้ชาติปัญญาในตัวเราเนี่ยปัญญาในตัวมันจะบอกให้เราแก้แต่คนปัญญานอกตัวเนี่ยแก้ไม่ได้นะปัญญาในตัวจะบอกว่าอย่าไปโกรธเขาเลยเสียสมองเขาจะไปชอบใครก็ช่างเขาเธอะ แล้วเขากับเราเนี่ยจะเป็นสามีภรรยากันก็จริงมีลูกด้วยกันสามคนก็จริงแต่เราจะไปโกรธเขาให้ให้เสียสมองทําให้ต้องเสียสุขภาพจิตอาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ได้เครียดอยากเข้าลงลําไส้เป็นมะเร็งลําไส้ได้เป็นมะเร็งมดลูกได้อันนี้เรื่องจริงเลยแพ่เมตตาไปเลยไม่โกรธโกรธนอเ น, นี่ยริมเปเนี่ย อย่าฟากความโกรธค้างคืนแล้วภูพยบาบาลค่ำเย็นยอมจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหนมากินไม่ได้นอนไม่หลับจะไปโลก